ผมเอาคนนี้นะถอยไปแล้วผมจองคนนี้ละถ้าได้ถ้ามาแต่ฉันน่ะจะไม่แบ่ง ใ, ใครและฉันน่ะจะไม่ยอมให้ไปรูปร่างแบบนั้นนะหน้าตาแล้วิพันธ์แบบนี้ล่ะใครที่ไม่เกี่ยวได้โปรดนะฉันถอยออกไปคนนี้นะมันคนกู เราว่ารักกันเป็นพันพันครั้งแต่คงไม่ซึ้งเธอก็ทํามันนอกหากเป็นแฟนจะไม่ทําให้ใจช้าเราจะเจอถูกอย่างก็แค่เธอหนึ่งบอกฉันมีแค่ใจกันไม่สนอะไรใครจะว่าจะด่าก็ปล่อยมันไปจะสนใจไหมฉันคไม่ได้แคร์ชีวิตฉันไม่ดีแอะแต่ว่าชีวิตของฉันมันมีแค่เธอคนเดียวแน่ๆหลับให้หักน้องจริงและพี่ไม่ทิ้งน้องนะเอโอใจยงเย็นในกาสัญญากับดวงตะวันจันเธอ เธอไปจนฉล า, าว่าใจน้องมาละให้พี่ได้ก็โอ้ตัวพี่นั้นรอนเธอไม่ยอมมีใครมาลักแล้วเธอไม่ยอมมีใครมาทาผมเอาอคนนี้นะถอยไปแล้วผมจองคนนี้ละ่ะถ้าได้เธอมาแต่ฉันน่าจะไม่แบ่งให้ใครและฉันนจะไม่ยอมให้ไปลูปรางแบบนั้นนะหน้าตาเราพิวพรรแบบนี้ละ่ะ ใครที่ไม่เกี่ยวได้โปดนะฉันถอยออกไปคนนี้นะมันคุณนองใจผมไม่ร<อ>ักนะรัน้อยดีไ<ด>หมฉันอยากจะบอกว่าฉันนั้นทนไม่ไหวฉันรับดาเมตไม่ได้จริงๆแต่แข่งความสวยนะเธอคงวินก็อาจจะเป็นเ <c oughs> พราะฉันเลิอยู่มีแม้ว่าตัวฉันนั้นไม่ค่อยดี <c oughs> แต่ว่าตัวฉันจะรักแค่เธอไม่เหมือนผู้หญิงที่ฉันเคยเจอ กับเธอเธอสดใสปีให้ดอกทั้งใบเป็นสีชมพูจะรู้บังไหมแบบชอบเธอได้แค่มองอยากจะจ้องเลยเชียวหัวใจของฉันมีแต่เธออยู่ในนน้นคนเดียวนะผมเอา <ไป S 2> คนนี้นะถอยไปแล้วผมจ้องคนนี้ละถ้าได้เธอมาแต่ฉันนจะไม่แบ่งนี้ใคร และฉันนะจะไม่ยอมให้ไปรูปร่างแบบนั้นนะหน้าตาเราผิวพรรณแบบนี้ล่ะใครที่ไม่เกี่ยวได้โปรดนะฉันถอยออกไปคนนี้นะมันคุ้นคงใจผมเข้าไปคนนี้นะถอยไปแล้วผมจองคุณนี้ล่ะนัาได้เธอมาแต่ฉันนะจะไม่แบ่งให้ใครและฉันนะจะไม่ยอมให้ไปรูปร่างแบบนั้นนะหน้าตาเราผิวพรรณแบบนี้ล่ะ ใครที่ไม่เกี่ยวได้โปรดละฉันถอยออกไปคนนี้นะมันคุณนองใจ